ตินวัฏฐารกับบางทีอาปัตตาธิกรไม่อาศัยสมถะอย่างหนึ่งคือปติญญาตกรณะพึงระงับด้วยสมถะสองอย่างคือสา ม, มุขาวิไนตินวัฏฐารกับบางทีพึงตกลงกันได้สมจริงดังที่ตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายอันหนึ่ง ในกรณีนี้พวกภิกษุบาทหมางทะเลาะวิวาทกันอยู่ประพฤติละเมิดสิ่งที่ไม่สมควรแก่สมณะเป็นอาจินมากมายทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามทาด้วยกายถ้าพวกภิกษุในหมู่นั้นปรึกษากันอย่างนี้ว่าพวกเราบาทหมางทะเลาะวิวาทกันอยู่ประพฤติละเมิดสิ่งที่ไม่สมควรแก่สมณนะ